ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาโดยทั่วๆไปก็เป็นต่อด้วยโทสะก็ต่อด้วยโทส ะ, ะ, ทสะเป็นอสังหรือสสังโดยทั่วๆไปนะมันจะมีเป็นบางครั้งของคนที่สังวรไว้ดีก็จะมาเข้าอุเบกขาอันนี้ฐานลมจะเข้าอุเบกขา เ, เป็นคือว่าบางคนเนี่ยทำใจให้เป็นโลภะแทน นะนะบางคนเนี่ยทำใจในอ น, นิถารมให้เป็นโลภะแทนก็มีไม่แน่บางคนก็คือคือเขาให้ดูสีนี้นะสมมตินะถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเสียหายแน่เราทำเป็นชอบซะแปลงชอบไปเลยนะพวกนี้เป็นต้นเพื่ออะไรเพื่ออาจจะมีผลประโยชน์มีอะไรเกี่ยวมากเกี่ยวข้องอ่ะนะพวกนี้ก็แก้ไปให้เป็นอุเบกขาทำตัวเฉยๆซะอะไรซะซึ่งอาจจะไม่ได้ เป็นไปเพื่อกุศลก็ได้หรือบางคนก็น้อมไปเพื่อให้กุศลเกิดก็ได้นั่นแหละต่อไปหาโลภะก็ได้บางคนก็ต่อไปหาโสมนัตอีกก็ได้ก็มีบางในบางรายที่ทำได้โลภะก็ได้เช่นไปไปเห็น สีที่ไม่ดีอ่ะนะเห็นสีที่ไม่ดีเนี่ยนะโสมนัตมีไหมนี่ไปเห็นสีของศัตรูเราไม่ค่อยสวยอย่างนี้ น, นะใช่ไไปเห็นสมมติว่ารถของคนที่เราไม่ชอบมันเสียหายไปเนี่ยถามว่าเราดีใจัหมโดยทั่วๆไปก็ดีใจใช่ไหมตอไปหาโสมนัตก็ไดไ้ก็เพราะว่าพื้นฐานว่าอุปนิสัยหรือความคิดก่อนหน้านั้นมาเนี่ยคิดอะไรอยู่ น, นะอัธยาศัยก่อนหน้านี้มาเนี่ยสาคัญต่อความคิดในชวนานี้มาก พอความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วมโนทวารคิดยังไงต่อไปก็ต่ออย่างไงถ้าโมหะก็หามาหานี่ไงอุเบคานี่ยแบบไม่สนใจนึงแบบเธอ <c oughs> ในในรูปารมณ์ใดเนี่ยนะก็จิตเกิดได้หมดเลยอันนี้พูดถึงว่าคนที่ไม่ได้อบรมจิตเนี่ยจะเป็นแบบนี้ สามารถไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าผู้ที่อบรมจิตเนี่ยด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วอะ่ะพอจะรู้แล้วใช่มว่าจะไปเห็นสีอะไรก่อนที่จะเห็นก่อนสมมุติว่าเราจะวันนี้เราไปพบปะกับใครที่ไหนบ้างเนี่ยปกติก็รู้อยู่แล้วว่าสีอะไรจะมีเนี่ยนะในสีอนั้นเป็นอิทธารมหรืออนิธารมผูเดเอกในหนึ่งก็แบบว่าถ้าเป็นเอาทวารลิ้นก็ได้นะถ้าเป็นรถอะ่ะ เราเลือกร้านตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าเราจะไปทานอะไรเพราะฉะนั้นพอแล้วพอที่จะรู้รสแล้วว่าจะต้องรู้รสอะไรต่อไปเนี่ยนะตอนก็พัดผู้ที่เขาเจริญเรื่องกุศลศีลเป็นต้นมาดีเขาก็สามารถน้อมให้เป็นกุศลได้เนี่ยนะให้เป็นไปกับไตรสิกขาได้ซึ่งการเจริญไตรสิกขาเนี่ยต้องมาแหวกความคิดเหล่านี้ทั้งหมดออกไปนะค่อยๆตัดไอ้ความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปตัดออกไปตัดออกไ ป, ออกไปให้เหลือแต่เป็น จิตที่เป็นกุศลล้วนๆให้สืบเนื่องกันระยะยาวเนี่ยนะมันพรหมจรรย์เหล่านี้จึงเรียกว่าประพฤติยากก็ยากเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าจะวิเคราะห์โดยลักษณะของอาธิปัญญาด้วยยิ่งยากมากเนี่ยนะถ้าคิดอบรมแล้วก็หมายความว่าทั้งอิทธาลมอนิธาลมเป็นกุศลได้หมดเป็นเป็นได้หมดเลยอารมณ์ชนิดไหนมาเนี่ยนะผู้มีปัญญาเขาเจริญเป็นกุศลได้หมดแต่ว่าในชั้นแรกเขาไม่ใช่ว่าไปเที่ยวดูแล้วก็ฝึกคิด ไม่ใช่เขาเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอยู่แล้วเช่นว่าปกติเราเนี่ยมันมักโลภนะก็เจริญกรรมฐานที่เหมาะกับจิตบริหารเป็นอัธยาศัยไว้ก่อนเวลาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ให้เราเลือกถึงกรรมฐานเข้าไว้นะยังไงอีติปิโสไว้นะอย่าาเงั้ยยีติปิโสเอาไว้นะ ร, ร, ร, บรับให้เป็นอะไรรับให้เป็นอะไรต้องตั้งเราก็เออมันก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นจยนจะเลว อ, อย่าไป็น อ, อะไรอมากกอ๋อนั่นมักมีองแปดใช่ัหมนั่นมักมีองแปดใช่ไห ม, มญญห อ, อ่า น, นั่นมักมีองแปดหรือเปล่าออถามนี้ก่อนทางโลกเขาว่าดีอย่างที่คุณว่าแต่ว่าทีนี้เรามาศึกษาคำสอนเราเราก็เอาคำสอนเราไปวัดใช่ไหม เพรข้อปฏิบัติเพื่อความบ้นทุกข์มันมักมีองค์แปถ้าคุณคิดอย่างนั้นหนึ่งสัมมาทิฏฐิรั่วริยสัจขึ้นไหมถ้าคิดอย่างนั้ น, มนนะไม่มันรัิรยสัจไหมนี้<ม>ทุกไม่สนใจเลยนี้ทุกนี้สมุ ท, ทยัยนี้นิโรดนี้มักน้อมไปเพื่อเป็นแบบนั้นต่อไปไหม คุณหมายความ่าปริญญาเป็นยากอย่างนี้เนี่ยนี่คือปริญญาเพราะฉะนั้นปริญญาเนี่ยนะแค่เอาจิตเอาอารมณ์มาวิเคราะห์ดูแค่นี้ปริญญาจะเป็นอย่างนี้เพื่อชื่นปริญญาจึงเป็นเรื่องที่กว้างขวางเลยเพราะถ้าในในคัมภีเขาจึงบอกว่าทําไมจิตตะศิขาจึงต้องดีเพราะว่าถ้าถ้าคนที่ถ้าปัญญาไม่ดีนะถ้าเจริญไปแล้วมันจะฟุ้งเฟ้อ นะเพราะว่าถ้าสภาพจิตไม่ค่อยดีนะมาคิดแล้วมันค่อนข้างฟุง้งซ่านมันจะออกไปทางฟุ้งซ่านมากก็มีพวกอีกกลุ่มหนึ่งเขาเฮ้ยคิดอะไรมากมายจริงๆอ่ะเพราะฉะวิธีแก้เขาไม่ได้แก้ตรงนั้นแก้ตรงเทว่าทํายังไงให้จิตเป็นกุศลให้มากขึ้นท่านพระองค์ก็ตรัสว่าไงถ้าจิตอ่ะเธอจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตเธอตั้งมั่นแล้วจักรู้เห็นตามเป็นจริงไงพระองค์ก็ไม่ได้แบบอย่าไปคิดตรงเรื่องนั้นแต่ไปแก้ให้ให้ทำจิตให้มากขึ้นแล้ว การรับรู้การพิจารณาเรื่องนั้นจะชัดมากเนี่ยนะจะมีความเข้าใจมากเอ่อจริงๆการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานนะอย่างเช่ยกตั่าวนะว่ารูปอ่านะก่อให้เกิดจิตปกติเนี่ยในะรูปถ้าดีอิทธารมเนะีถ้าไม่ดีอันนี้ารมอิทธารมโดยมากต่อด้วยอภิชาเนี่ยนะถ้าเป็น อันนี้ธารมต่อด้วยโทมนัทถ้าอาภิชากระทรมนัทจะต่อเกิ ด, ดต่อด้วยอะไรปกตินิวนถ้านิวรห้าบริบูรณ์รายบริบูรณ์อภิช า, า, ชาบริบูรณ์เนี่ยนะ ก, ก็จะเข้ามาแบบนี้ทีนี้ทำยังไงจะให้เป็นศีลแทนเอา เนี่ยคือไม่ให้มันไหลเข้าสู่วงจรปกติอะ่ะเนี่ยนะไม่ให้มันไม่ให้มันเข้าสู่ระบบปกติถามทำยังไงครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องของงานฝึกขึ้นทั้งนั้นเลยเขาจึงเรียกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าไงอไอการฝึกสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าโอ้ยปล่อยแล้วแต่ธรรมชาติจะเกิดไม่รู้นับถือพระพุทธเจ้าทําอะไรเพราะเราก็เห็นแล้วก็ชอบอยู่แล้วชังอยู่แล้วปกติของเราเพราะในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจึงเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะอะไรเพราะสีละสังวรเนี่ยนะทีะ่ผู้ที่ไม่รับอันนี้โดยไม่เป็นอิทธารมณิธารมเนื่องจากมีอินสียสังวรท่า น, นอินรียสังวรคืออะไรคือสติสัมปชัญญะโยนิโสมนัิการหรือหีริโอตปะเ แล้วก็ให้ ม, มีฮิริมีโอต ป, ปะเป็นต้นอ่ะจึงมีศีลศีล น, นี้ดีอะไรดีศีล ด, ดีก็เท่ากับสุจริตดีสุจริตดีอะไรดีเนี่ยนะก็สติปัญญานถ้าสติปัญญานดีโพดช ง, ดชงทีนี้ไอไการที่จะแยกแยะ ก, ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็มาแยกเนี่ยเออนี่เห็นและอภิชานะอันนี้แยกส่วนหยาบหยาเออเเห็นคิดอย่างนี้เป็นอภิชา เห็นแล้วคิดอย่างนี้เป็นโทมนัตเห็นแล้วคิดแบบนี้เป็นศีลเพราะฉะนั้นในชั้นแรกคิดให้ยังไงให้เป็นศีลก่อนในสิ่งนั้นนั้นเมื่อศีลดีเพราะคนมันน่ะนะเห็นอะไรก็ตามเถอะมันก็ต้องพูดจนได้แล้หละไม่พูดก็ทําอ่ะนะแค่เหลือบตาไปดูหลายๆครั้งอันนี้ก็ถือว่าพฤติกรรมแล้วไงใช่ไหมเหลือบตาไปดูบ่อยๆเรียกพฤติกรรมพูดถึงก็เป็นวจีกรรมคิดก็เป็นมโนกรรมถ้าดีก็เป็นสูจริตถ้าเลวก็เป็น โทษจริตไปเนี่ยนะทีนี้ถ้าพื้นฐานเราคิดเป็นบาปอากุศลกับสิ่งนั้นเอาเอามาแยกแยะสีได้ยังไงอ่ถ้าจะวิจัยสีนะมาจากไหนกรรมดีไม่ดีมันอาจจะคิดเรื่องกรรมนะเออทาบุญอะไรมาเนาะทําไมช่างสวยจังอ่ะนะอันนี้เรื่องกรรมก่า น, นะเขาคิดอย่างนี้นะถ้าจะต่อโลภะนะโอกินอะไรมาจึงสวยจังอ่า น, นะมันก็มีต่อไปด้วยเหมือนกันนะสายโลภะมันก็ไม่โง่เสมอไปนะ คือในแง่หนึ่งอ่ะนะในแง่ผูกมัดนะไม่ง้อเลยอ่ะจิตไปยังไงหน้าจะได้จิตของใสมากโอ้โหคนใจดีใช่มั้ยใจดีมากรูปจึงสวยเนี่ยนะยิ้มเข้าไว้นะรูปจะได้สวยอย่างเงี้ยนะทั่วๆไปเขาก็พอรู้กันนะจังหวัดไหนผิวดีเหลือเกินถ้าอุตูนะเอออยู่ภาคไหนเนาะเนี่ยนะก็อ้าวคนภาคไหนก็พอรู้ใช่ไหม อุตุก็คือสีผิวอะนะก็จริงๆอพอประกาศได้นะว่าสีผิวของคนกลุ่มไหนโดยภาคนะอย่างประเทศไทยสีของกลุ่มสีผิวภาคเหนือเป็นยังไงภาคอีสานเป็นยังไงอีสานตอนล่างตอนบนภาคใต้ภาคตะวันตกอะไรพวกนี้กลุ่มสีผิวมันก็พอแบ่งๆได้เหมือนกันถ้าช่างสังเกตหน่อยนะใชนะ่ใช่ก็ มันอยู่ที่กลุ่มกรรมด้วยนะกลุ่มจิตด้วยกลุ่มอาหารด้วยกลุ่มอโตุด้วยนี่ะบางทีก็พอมองโดยทวีปออกเป็นกันนะกลุ่มทวีปไหนเป็นทวีปไหนก็แล้วแต่จะมองถ้สูงขึ้นไปก็หมายความว่าก็ก็มาวิเคราะห์ว่าวให้มันเป็นจิตสิกขาต่อมานี้ก็เลยคือโดยอย่างทั่วๆไปเลยนะที่ที่ อ, อ่ทสิกขาที่เราต้องบำเพ็ญหนึ่งทยังไงให้เป็นศีลให้เป็นสุดจริต ไอการบําเพ็ญศีลหรือบําเพ็ญสุเจริญเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยนะสุขติอย่างเดียวก่อนอ น, นะเพื่อทั่วทวไปก่อนนะไอการการปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไงยังไงก็อย่าเพิ่งนิพานเลยปิดอบายซะก่อนเหนะ็นไหมคือที่กล่าวอย่างนี้หมายถึงว่าโอ้โหเอะอจะพิจารณาแล้วนิพานเลยนะศีลก็ไม่ค่อยดีปิดนรกได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะในส่วนที่สําคัญเนี่ยเห็นยังไงคิดให้มันเป็นศีลเพราะศีเลนะสุขติยันติศีลเป็นตัวรักษาภพเอาไว้ มันคิดยังไงให้เป็นศีลด้วยก่อนให้เป็นเป็นบาตพื้นฐานรองรับเมื่อศีลดีอย่างนี้นะก็เนี่ยสุดจิตดีใช่ไหมสุจริตดีเนี่ยนะกามาพบมันน่ารังเกียจตรงไหนจะได้เจริญกุศลเพื่อออกจากกามาพบอีกทีนี้ทํำยังไงที่เจริญกุศลอย่งจึงจะออกจากพบทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสยังไงนะรู้จักสุตามความเป็นจริงไหมอันนี้ทวารตารู้จักสุตามความเป็นจริงหนึ่งนะ รู้รูปตามความเป็นจริงสองรู้จักขู่วิญญาณเนี่ยนะตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ผัสสะตามความเป็นจริงเวทนาตามความเป็นจริงอ่ะก็คือเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมามาพิจารณานั่นเองเนี่ยนผนัการอ่านเจตสิกทั้งหลายเนี่ยเขาอ่านที่เวทนาเพราะเวทนานเนี่ยในบรรดาสิ่งที่มันหยาบมันหยาบรองกว่ารูปเท่านั้นเอง เช่นถ้าโสมนัตปั๊บมันควรจะต่อด้วยจิตชนิดกลุ่มไหนถ้าอุเบกขาควรจะต่อด้วยจิตกลุ่มไหนเนี่ยนะเป็นสายกุศลหรือสายอากุศลนะก็มาฝึกคิดไปตามนั้นไปสําคัญอยู่ที่การเรียนสูตรเนี่ยเรียนสูตรไว้ดีก็สามารถคิดได้บ่อยถ้าเรียนสูตรไว้ไม่ดีก็คิดไม่ออกฉะนั้นการการศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าถ้าเป็นในยุคเราเลยนะต้องแบ่งเป็นสายเป็นชั้นไป สายอภิธรรมเมื่อมองเห็นว่าอย่างไงบ้างพระสูตรแนะนําให้ปฏิบัติอย่างไงกับสิ่งนี้วิชาอภิธรรมเหมือนกับว่าแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรในในสิ่งนั้นๆนะในสายพระสูตรนี่ก็คือบอกว่าคุณต้องปฏิบัติแบบนั้นแบบนั้นนะเข้าไปคิดแบบนั้นไปปฏิบัติแบบนี้อย่างเงี้ย น, นะควรไปเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นลักษณะชี้นำแล้วบอกว่าต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นนะ เหมือนพระอภิธรรมจะช่วยยาตาปริญญามากก็ก็ความรู้พระอภิธรรมเนี่ยคื อ, อยาตาปริญญาเลย น, น, นะอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าโดยกะถาสามนะพระอภิธรรมเนี่ยเป็นนามรูปปริเฉทกักถาอภิธรรมนะเป็นวิชาว่าด้วยนามรูปปริเฉะกถาพระสูตรกถาไหนมีกระถาสามเหมือนนสังวระกถา พวกลักษณะสังวรคาถาเป็นพระวินัยสังวรคาถาพระสูตรสแสดงคาถาตามจริตนี่นะตามจริตอรพิธรรมก็เป็นเนี่ยนำรูปบริเชษคาถาก็ามีพวกคาถาสามนี่นะในถืออาศัยหลักพระพิธรรมจริงๆได้ได้ได้กระจายตั ว, ต, วตัวธรรมะเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าก่อนที่จะรู้เรื่องอะไรทั้งหมดต้ตองเอามาัดเอามา ออกมากระจายนะเขาว่าถ้าจะรู้เรื่องรถเนี่ยต้องถอดถอดไอเครื่องเคราต่างๆออกมากระจายให้หมดเลยถึงจะถึงจะรู้ถึงจะเข้าไปตีระนาปิญญาได้พอรู้ละเอียดหมดแล้วตอนนี้เนี่ยจะไปพิจารณาคุณโทษตร ง, ง่ายขึ้นความไม่เที่ยงความทุกข์อะไรตร ง, ง่ายขึ้นก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วออกมาวิเคราะห์วิเคราะห์วิจัยกัน ขนาดวิจัยละเอียดแล้วนะกิเลสมันยังไม่อยากค่อยอยากจะหลุดเลยบางั้นเถอะเอาพูดแบบตรงๆเลยนะก็ขนาดไปเจริญอย่างนี้แล้วกิเลสมันยังไม่ค่อยจะกระเทือนมันเลยไม่จากล่าวปรยายไม่แยกแยะอะไรเลยนะแต่ถ้าเราเรียนแล้วเราแยกแยะเนี่ยนะสิ่งที่เราได้อย่างหนึ่งคือดูเหมือนว่าเรามีาศาสนาขึ้นแต่ถ้าเราแยกอะไรไม่ได้เลยนะมีแต่เป็นตัวของตัวเองตลอดเลยแต่ตัวไหนไม่รู้นะนี่นะ ก็ถามไม่ไว้เกี่ยวกับคิดเนี่ยนะเราคิดคิดเองกับมีคําสอนเนี่ยนะเราจะเอาวันไหนอ่ะสองอย่างนี่แต่ว่าของมารู้จักคนกลุ่มชั้นกรรมกรมากเขาไม่ต้องการใช้ความคิดเนี่ยนะเขาบอกว่าจะบอกอะไรให้เขาทาก็บอกมาเลยจะไปยกอะไรหามอะไรก็บอกมาไปบอกอะไรมันซับซ้อนมากแล้วห้ามสั่งหลายเรื่องสั่งทีละเรื่อง เขาจะกินแค่แรงวันรายวันเท่านั้นเพิ่มให้เขาปีละสามบาทเขาจะดีใจมากแค่นี้เขาไม่ต้องการใช้ความคิดอะไรเลยเราะเราก็อยากอยู่กลุ่มไหนคิดเอาเองเนี่ยง่ายมากเพราะเราก็ค่อนข้างชอบมักเดียวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าคิดตามคำสอนเนี่ยยากบ้างแต่ว่าแน่นอนแล้วก็สบายใจด้วยนะถ้าคิดตามนั้นจริงๆเนี่ยเราจรึงรู้ว่าเราเมาจริงๆ แล้วเรารู้ว่าเราเนี่ยมีกิเลสจริงๆแล้วเรารู้ว่าโอ้เนี่ยทางแห่งทุกข์จริงๆถ้าเราไม่แยกแยอะอะไรเลยเนี่ยนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะแยกแยอะอะไรนี่เห็นก็เห็นอะซื่อๆอย่างงก็เอาเผื่อจะได้สักมักคสองมรรคนะก็คนละถ่ายกันนี่มาขึ้นโดยโดยไหนโดยเหตุนะโดยโลกิยะโลกุตระง่ายมากผ่าน โดยเหตุโดยเหตุก็อาเหตุตุกจิตก็ส8บเหตุกจิตก็1นึเ น, นี่ยนะโดยฌานกามาวาจรเรียกว่าฌ า, านรูปาวาจรเป็นต้นเรียกว่าฌานอันนี้ก็คำว่าฌานในนี่นะมีในต้องเอาไปคิดอีกมากแต่ว่าตรงนี้เขามาเป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าตามในพระสูตรเนี่ยมีมีอีกหลายหลายกลุ่มหลายใน ทีนี้ต่อไปอีกโดยโดยเวทนาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เอามาคิดนะการการพิจารณาจิตแต่พิจารณาโดยเวทนาว่าเวทนานี้โดยทั่วไปก็แบ่งออกเป็นโดยโดยสภาวะนะสภาวะมีอะไรบ้างหนึ่งโศกสองทุกสามอทุกขมสุข อีกกลุ่มนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็แบ่งโดยอินทรีย์อินทรีย์ห้าก็เป็นอ่สุก ข, ขินทรีนะนะทุกขินทรีอันนี้สองอย่างนี่กายแล้วก็โสมนัตสินทรีโทมนัตสินทรีอุเบกขินทรีอันนี้ก็คือทวารใจก็ขอภไยนะอันนี้ทวารหก โสมณัตสินสีโทมณัตสินสีอุเบกขินสีเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าสงเคราะห์โดยทวารหนี่ก็มาหาตัวเลกว่าสุขขินสีนับหนึ่งทวารกายนะความสุขทางกายมีหนึ่งความทุกข์ทางกายมีหนึ่งโสมณัตเนี่ยต้องเอามาคิดเยอะหน่อยนนะนเนี่ยนะโสมณัตเนี่ยนะคือเว้นสุขขินสีกลุ่มสุขทั้งหมดเรียกว่าโสมนัตวิธีแบ่งก็มาแบ่งตามชาติก่อน มาแบ่งตามชาติว่ากุอกุศลชาติก่อนอนะนะกุศลชาติากุศลก็มาแบ่งเป็นอะไรกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระแล้วค่อยๆมาหาตัวเลขเอาเช่นว่าโสมนัตที่เป็นอกุศลมี4คือโลภะนะนะโสมนที่เป็นโลภะสีใช่ไหม ที่เป็นกามาวจรกุศลเป็นกามาวจรเนี่ยก็แบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็น